วันนี้จะขอกล่าวถึงเรื่องของพระองคุลิมานซึ่งจะได้สัมพันธ์กับเกี่ยวกับเรื่องกรรมว่าพระองคุลิมานเนี่ยนะท่านฆ่าคนเยอะแต่ท่านก็พ้นได้คือประวัติเรื่องราวของพระองคุลิมานเนี่ยจากอัตถกถาอังคุลิมานสูตรนะมัชิมณิกายมัชิมะปัญ น, นาตกล่าวว่า พระองค์ุลิมาร น, น้ได้ถือปฏิสนธิในคันแห่งนางพรามณีชื่อว่ามันตานีแห่งปุโรหิตของพระเจ้าโกสนพระเจ้าเปร์เซนที่พระเจ้าโกสนเนี่ยมีปุโรหิตใช่ไหมปุโรหิตก็คือตําแหน่งที่ปรึกษาของพระราชานั่นเองนางพรามณี น, นั้นได้คลอดบุตรออกในเวลากลางคืนในเวลาที่อังคุลิมาณ น, นั้นคลอดจากคันของมารดา อาวุธทั้งหลายในพระนครทั้งสิ้นช่วงโฉดขึ้นแม้พระแสงที่เป็นมงคลของพระราชาแม้กระทั่งฝักดาบซึ่งอยู่ในห้องบรรทมอันเป็นสิริก็รุ่งเรืองก็ mm. บอกว่าดาบเนี่ยนะเปล่งแสงออกมาเลยพวกอาวุธทั้งหลายแหล่นี่ก็ออกแสงหมดพรามนั้นจึงลุกขึ้นออกมาดูแงนดูดวาวเริกนักษัตริย์ดูที่มันเริกอะไรดูดาวเลยเขาบอกว่า เหลียวไปบนท้องฟ้าปั๊บมองเห็นว่าบุตรเนี่ยเกิดในเลิกในดาวเลิกดาวโจรนะลูกนะเกิดในเลิกดาวโจรวางั้นจึงเข้าไปเฝ้าพระราชาถวายบางคมเนี่ยถามถึงบรรทมอันเป็นศพเห็นไหก็คือเช้ามาก็รีบเข้าไปเฝ้าพระราชาเลยพระราชาตรัสว่าท่านอาจารย์ว่งั้นเราเนี่ยจะนอนเป็นสุขอยู่ได้แต่ไหนอาวุธที่เป็นมงคลของเราเนี่ยส่องแสงรุ่งเรืองเห็นจะมีอันตรายแก่รัฐหรือแก่ชีวิต ไม่รู้ว่าบ้านเมืองจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นี่ชีวิตของเราจะไปยังไงก็ไม่รู้นี่ทําไมไม่รู้โอพวกดาบพวกอาวุธเนี่ยมันออกแสงวุบวับไปหมดเลยปโรหิตก็ทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าอย่าทรงกลัวเลยกุมานนี้เกิดแล้วในเรือนของหม่อมชันอาวุธทั้งหลายไม่ใช่จะรุ่งเรืองด้วยอนุภาพของกุมานนั้นอ น, นะทีนี้พระเจ้าประสเสนที่โกศพระเจ้าโกศก็เลยถามว่า เพราะเหตุอะไรท่านอาจารย์พระราชาอปุโรหิตก็บอกว่าข้าแต่ ม, มหาราชเจ้าเขาจากเป็นโจรทีนี้พระราชาก็สงสัยเขาจะเป็นโจรคนเดียวหรือว่าเป็นโจรปทุศรายราชสมบัติะเป็นโจรกระจกหรือว่าเป็นโจรชิงราชบัลลังก์เขาจะเป็นโจรธรรมดาคนเดียวเท่านั้นแหละพระเจ้าขา่างปุโรหิตเนี่ยครั้นทูลอย่างนี้แล้วก็เพื่อที่จะเอาใจพระราชาจึงทูลว่า จงข้ามันเสียเถอะพระเจ้าค่ะฟังกันเดี๋ยวบ้านเมืองจะได้ไม่เดือดร้อนต่อไปข้ามันทิ้งก็ไม่เป็นไรหรอกฟังกันเข ล, ลูกของหม่อมชันเองอะนะประราชาก็บอกโอ้โจรธรรมดาคนเดียวมันจะทําอะไรได้ก็เหมือนรวงรวงข้าวสาลีอ่ะนะรวงเดียวในนาข้าวตั้งพันกรีดก็คื อ, อนาเนี่ยเป็นพันพันไร่อ่ะมีข้าวเสียอยู่รวงเดียวอ่ะนะไม่เป็นไรหรอกปล่อยมันไปเถอะฟังกันทีนี้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 ทีนี้พอเวลาเจริญเติบโตจะให้เรียนศิละปะก็เลยส่งไปยังสํานักเมืองตักศิลาอาหิงสกากุมาร น, นั้นเป็นธรรมมันเตวาสิกเริ่มเรียนศิละปะและก็คือพ่อเนี่ยไม่จ่ายค่าเล่าเรียนให้แต่ให้ไปสมัครเรียนโดยธรรมหมายว่าเข้าไปรับใช้อาจารย์ทุกอย่างเพื่อที่จะเรียนอวิชาก็คือลูกศิษย์สมัยก่อนเนี้เขาแบ่งออกเป็นสองส่วน <c oughs> ก็คือส่วนหนึ่งนั้น เป็นลูกศิษย์ที่อะไรครับเรียกลูกศิษย์ที่เสียสตังเรียน น, นะกับลูกศิษย์ที่เข้าไปรับใช้ใกล้ชิดปรนิบัติทุกอย่างแล้วเรียนวิชาเหมือน น, นทีนี้อหิงสกะนี้ก็เป็นทำ ม, มันเตวศิษย์ก็เรียนศิลปะทีนี้เป็นคนที่ถึงพร้อมเลยวัดความประพฤติเนี่ยนะอาจารย์บอกยังไงเนี่ยเรียบร้อยหมด ตั้งใจคอยรับใช้ประพฤติเป็นที่พอใจพูดใภไยเราะทีนี้อันเตวาสิกที่เหลือก็เป็นอันเตวาสิกภายนอกนะคล้ายว่าคนนี้เนี่ยไปเป็นคนสนิทของอาจารย์เป็นอย่างนี้เลยลูกศิษย์ที่เหลือก็เกิดเรียษยาเลยใช่ไหมมันได้ดีอยู่คนเดียวไอ้พวกเราทำไมมันหงอยเหลือเกินก็เลยปรึกษากันว่าตั้งแต่เวลาที่อหิงสกะมานบมาพวกเราไม่ปรากฏเลย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 พระราชาด้วยเอ๊ะพวกเราจะทํำมันยังไงกันดีนะเหมือนเคยคิดไหมเอ๊ะวางแผนจะทําลายคนสักคนเนี่ยจะทํายังไงดีขณะนั้นก็มีที่ปรึกษานะขณะที่พูดคุยก็มีคนความคิดหัวแหลมขึ้นมาคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะทําช่องของอาจารย์แล้วทําลายเข้าเสียนะคือทําให้แตกราวกันกับอาจารย์ซะก่อนเหมงอนนะแล้วก็แบ่งแบ่งลูกศิษย์เนี่ยออกเป็นสามกลุ่ม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 อาจารย์ก็เลยละตะค อ, อกไล่ออกมาเฮ้ยออกไปพวกคนถอยเหมือนกันเจ้าอย่ามาทําลายลูกของเราในระหว่างเราเสียเลยเหมือนกันอย่ามาซอเซียดนะเหมือนกันจากนั้นอีกพวกที่สองก็เข้าไปใหม่อีกแนวเดียวกันนะนะพวกที่สามเข้าไปทํานองอีกเดียวกันแต่พวกที่สามเนี่ยนะก็ก็ฉลาดพูดอีกเพิ่มเสริมขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งใช่ไหมก็บอกว่าน้ําที่มันตกลงในหินใช่ไหมทีละหยดทีละหยดเนี่ยก็ยัง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 ทีนี้ก็จะไม่มาเพื่อเล่าเรียนศิละปะอีกเอ๊ทํำยังไงดีเราก็จะเสื่อมราบใช่ไหมถ้าไม่มีใครมาเรียนปับ๊บเสื่อมราบแน่เอออยากกันนั้นเลยเราจะบอกมันว่ายังมีคําสําหรับศิละปะวิชาขั้นสุดท้ายอยู่นะในกระบวนการเรียนนั้นมีวิชาภาคสุดท้ายอยู่วะงั้ก็กล่าวว่าเจ้าจะต้องฆ่าคนให้ได้พันคนในเรื่องนี้เจ้าจะเป็นผู้เดียวลุกขึ้นฆ่าเขาให้ได้ครบพัน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 อาจารย์ก็ฉลาดก็บอกว่าเออศิลปะที่ไม่ได้ค่าบูชาครูก็จะไม่ให้ผลนะพะ่อเออทำมาบูชาครูไม่เสร็จนะวิชาเนี่ยเสื่อมเหมือนอหิงสกะกูมา น, นั้นก็เลยถืออาวุธห้าประการคือปกติเป็นคนที่ว่า ง, ง่ายมากนะหิงสกะ ก, กูมา น, นี่อาจารย์ว่ายังไงก็ทำตามมดอะทีนี้ไหว้าอาจารย์แล้วก็ถืออาวุธเข้าไปสู่ดงยืนอยู่ณนะที่คนจะเข้าไปสู่ดงบ้าง อยู่ที่กลางดงบ้างอยู่ที่ที่คนออกจากดงบ้างแล้วก็ฆ่าคนเสียเป็นอันมากนะทีนี้เวลาฆ่าก็ไม่ถือเอาผ้าหรือผ้าพกศีรษะทำเพียงกำหนดว่าหนึ่งสองฆ่าฉับหนึ่งอันหนึ่งเนะ่ฆ่าอีกคนหนึ่งสองเนี่ยนับไปเรื่อยๆแม้การนับไอ้ฆ่าไปหลายๆเจ้าเข้าจำไม่ได้ทำไงดี เขาบอกว่าโดยธรรมดาอเหิงสกะกุมานนี้เป็นคนมีปัญญาแต่จิตใจไม่ดำรงอยู่ได้เพราะปานาธิบัต่ถ้าก่อความชั่วมากๆฆ่าบ่อยๆเข้าเนี่ยนะเาเรียกว่าพยาบาทพยาปาทะเนี่ยเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกิเลสสายโทสะมากขึ้นสติปัญญาที่เคยจำดีก็ความจำก็เสื่อมน้อยถอยลงไปทีนี้ก็นับไม่ได้เขาก็เลยตัดนิ้วได้นิ้วหนึ่งหนึ่งก็เก็บไว้ ในที่ที่เก็บไว้เก็บไว้นานๆเข้าอันิ้วมกนเน่าอะเนาะก็หายไปอีกให้ทํำยังไงดีต่อจากนั้นก็เลยร้อยมาทําเป็นพวงมาลัยนิ้วมือคล้องคอไว้ามาร้อยเป็นพวงมาลัยเลยเพราะฉะนั้นเขาจึงเลยเลยเปลี่ยนชื่อหมายว่าโจนองค์คุลิมาน น, นะเก็บนิ้วไม่ได้แช่ยเย็นไหมมันก็นเน่าหมดอ่ะเนาะไปซ่อนไว้ตรงไหน <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็นพวกกระดูกพวกอะไร <c oughs> เดี๋ยวว่สาสัตว์อื่นๆข้าวเอาไปกินอีกมัว <c oughs> แต่ไปเที่ยวข่าเอามาทางนี้หายอีกละ ก็เคยได้ยินนะเพราพวกคนหาปลานะหาปลาเนี่ย โ, โหเจอแต่ตัวโตๆทั้งนั้นเลยนะทีนี้ไอ้ข้องที่เอาไปด้วยนี่มันรั่วหาทั้งคืนไนดะ้เยอะแยะเลยนะกลับไปถึงบ้านเอาเหลือตัวเดียวอย่างเงี้ยแย่เลยนะอันนี้ก็เหมือนกันแนหะข้าวมาตั้งเยอะแล้วที่ดูนะถ้าหากว่าผู้ที่ไม่มีกระยาณมิตรได้อาจารย์แบบนี้เป็นปลาประมิตรนะปลาประมิตรเป็นมิตรที่บาปชักชวนในการทําปานาติบา เห็นหมเขาเนี่ยฆ่าสัตว์มากมายมหาศาลฆ่าคนมากั้นโจรองคุลิมานนั้นก็ท่องเที่ยวไปยังป่าทั้งสิ้นจนไม่มีใครสามารถไปเข้าป่าหาฟืนได้ป่านเนี่ยโหไม่มีใครตัดฟืนเลยทีนี้ในตอนกลางคืนก็เข้ามายัางภัยในบ้านคือนานๆเข้าคนไม่มีใครเข้าป่านะทำยังไงคนนอนดึกๆมาถึงก็ถีบประตูเข้าไปทีนี้ก็ฆ่าคนที่นอนแลยก็กาหนดว่า หนึ่งหนึ่งแล้วก็ไป น, นะได้วันเท่าไหร่ก็ได้ก็ค่อยเก็บสะสมไปเรื่อยๆทีละทีละนิว้วสองนิว้วสามนิ้วไปตามแต่ราคาได้ทีนี้บ้านก็ร่นถอยไปตั้งอยู่ในนิคมนิคมก็คือตำบล น, นะพวกหมู่บ้านเล็กๆนี่ก็ถอยมาเข้าสู่ตำบลทีนี้เอ็นนานๆเข้าบ้านเล็กๆมันหมดเข้าเข้าบ้านใหญ่เลยเข้าตำบลอีกไปถึงก็ที ป, ประตูเลยนะทีนี้ตำบลก็ถอยไปอยู่ในเมือง ทนพวกมนุษย์ทั้งหลายพากันทิ้งบ้านเรือนจูงลูกเดินล้อมพระนครสาวัตถีระยะทางถึงสามโยต์ตั้งค่ายพักประชุมกันที่พารานหลวงคลองต่างร้องคร่ำครวนว่าข้าแต่สมมุติเทพในแวดแคว้นของพระ อ, องค์มีชื่อว่าโจรองค์คลิมานเป็นต้นนะน่ะตอนนี้มีโจรเกิดขึ้นแล้วนะโจรองค์คลิมานเนี่ยเกิดขึ้นครั้งนั้นเนี่ยพราหมณ์พราหมณ์มก็รู้ว่าโจรองค์คลิมานนั่นน่ะเป็นลูกของเรา นะปุโรหิตเนี่ยก็รู้ว่าเออไอโจนคนนั้นก็คือลูกของเรานั่นเองก็เลยกล่าวกับ น, นางพรหมณีว่าเนี่ยนางผู้เจริญเกิดโจนชื่อองคุลิมานขึ้นแล้วโจนนั้นไม่ใช่ใครอื่นก็คืออหิงสกะกุมารลูกของเจ้าบัดนี้พระราชาจักเสด็จออกไปจับเขาเราควรจะทำอย่างไรนางพรหมณีก็พูดว่านายท่านไปเถอะจองไปพาลูกเรามาัางกันเดี๋ยวพระราชาไปฆ่าทิ้ง พรามก็พูดวันนียนางผูดเจริญฉันไม่กล้าไปเพราะไม่ควรวางใจในคนสี่จำพวกเหือนกันก็คือโจรที่เป็นเพื่อนเก่าของเรามาก็ไม่ควรวางใจนะมีเพื่อนเป็นโจรนะโจรมาเยี่ยมบ้านเนี่ยก็อย่าวางใจเลยนะเหมืนกันสองหนนเพื่อนฝูงที่เคยมีสันทวะไมตรีมาก่อนนะของเราก็ไม่ควรวางใจเพื่อนที่หายไปนานๆแล้เพิ่งมาเจอกันใหม่ๆเนี่ยนะมาเจอกันอีกครั้งก็อย่าเพิ่งวางใจเหมกัน สามพระราชาไม่ควรวางใจว่านับถือเราแล้วก็เสก็หญิงไม่ควรวางใจว่านับอยู่ในเครือญาติของเราปรางนั้นแต่ว่าหัวใจของคนที่เป็นแม่ก็ก็อดนางพรามณีก็เกลยเลยกล่าวว่าเออฉันจะไปพาลูกของฉันมาเองอย่างนี้แหละนะนึกถึงลูกกันนะพ่อไม่ไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่จะไปเองปรมาณนั้นทีนี้ในวันนั้นนั่ น, น, นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงตรวจดูสัตว์โลกในปัจจุสมัยใกล้รุ่ง ทรงเห็นองคุรีมานก็เลยพระดํมริว่าเมื่อเราไปจักเป็นความสวัสดีแก่เธอนะถ้าไม่ไปเนี่ยเสียหายแน่เพราเธอผู้ที่อยู่ในป่าอันหาบ้านไม่ได้นะถ้าไปแล้วได้ฟังคาถาอันประกอบด้วยบทสี่บทออกบวชในสำนักของเราก็จะกระทาให้แจ้งซึ่งอภิญยาหกนะถ้าหากว่าพระองค์ไปโปรดก็จะได้เป็นพารหานอภิญญาหก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 ก็สมัยนั้นแลในแว่นแคว้นของพระเจ้าประส็นที่โกศลมีโจรชื่อว่าองคุลิมานเป็นคนหยาบช้าในฝ่ามือเนี่ยเปื้อนเลือดปักใจมั่นในการฆ่าตีไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายนะเขาบอกว่ากรุณาของโจรคนนี้ไม่มีขนาดว่าผู้หญิงเนี่ยนะพร้อมกระรองเลยว่าผู้ที่เป็นแม่บอกอย่าเพิ่งฆ่าฉันเลยลูกอ่อนมีอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ย บอกไม่ฟังเสียงอะจะกฆ่าอย่างเดียวใช่ไหมจเจ้าให้ครบพันอะอันจิตใจเนี่ยขาดการุณาที่สุดเลยนะก็บอกว่าอคนที่มีความคิดที่จะคิดจะฆ่าคนอื่นอย่างเดียวนะเหมือนกับคนไปหาปลานายพรานปลาผู้ไปหาปลาเนี่ยนะเขาไม่มีใจว่าโอ้สองสารมันนะปลาตัวนี้ยมันปลาแม่ลูกอ่อนนะรู้สิลูกของมันเป็นพันๆเนี่ยอย่าไปเพิ่งไปฆ่ามันเลยนะไม่หรอกเอาแม่มันเลยตัวโตโ ต, ตดิ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 ครั้งนั้นแหลเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งแล้วถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบินทบาทอย่างพระนครสาวัตถีครั้นแล้วในปัจ ช, ชามพัฒเสด็จกลับจากบินทบาททรงเก็บเสนาสนะถือบาทและจีวรเสด็จดําเนินไปตามทางที่องค์คุริมาลโจรซุ่มอยู่นะทีจริงก็ไม่ได้ซุ่มเหมือนนะคือสํานวนน่ะนะก็คือนั่งอยู่เฉยๆนี่แหละไม่มีใครไปหาอยู่แล้วใครไปหาก็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 ย่อมรวมกันเป็นพวกเดียวกันเดินทางนี้แม้บุรุษผู้นั้นก็ย่อมถึงความพินาศเหมนกันขนาดไปเป็นสิบๆอ่ะ น, นะก็ยังถูกฆ่าอีกเหมนกนะัเพราะมือของอเพราะมือขององค์ุลีมานโจรเมื่อคนพวกนั้นกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็นิ่งแต่ไม่ได้นิ่งหยุดนะนิ่งเดินต่อไปครั้งที่สองอะนะชาวบ้านก็เป็นห่วงโอ๊ยท่านอย่าเพิ่งตายเลยอย่างนั้นอย่าไปเถอะทั้งนั้นอนะ่ะก็ห้ามอีกเหมือนเดิม แม้ครั้งที่สามพระองค์ก็นิ่งก็เดินไปต่ออีกทีนี้โจรองคุลิมาเนี่ก็คอยดูนะเงียส่วยจะมีใครผ่านมาทางนี้บ้างทีนี้โจรองคุลิมาก็ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแต่ไกลครั้นแล้วเขาได้มีความดำ่รีว่าน่าอัศ จ, จรรจิงหนาไม่เคยมีเลยพวกบุรุษสิบคนยี่สิ0ามสิบสี่สิบคนก็ดีก็ยังต้องรวมกันเป็นพวกเดินกันทางนี้ แม้บุรุษพวกนั้นก็ยังถึงความพินาศพร้อมือของเราเออส ม, มณะผู้นี้ผู้เดียวไม่มีเพื่อนชะลอยจะมาข่มเราเนีมาคนเดียวเนี่แสดงมาจะมากำราบเราหรือเปล่าเนี่ยมันทักอะไรเราพึงปลงพระส ม, มณะเสียจากชีวิตเถอะเนี่ยฆ่าทิ้งก็เลยเหมือนกันครั้งนั้นโจนองค์คลิมานก็ถือดาบและโล่ผูกสอดแร่งธนูติดตามพระผู้มีพระภาคเจ้าไปเบื้องทางพระปริศดานะเดินตามหลังเลย ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบันดาลอิทธาพิสังขารโดยประการที่โจรองคุลิมานเนี่ยจะวิ่งสุดกำลังก็ไม่อาจจะทันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ดาเนินไปตามปกติองค์ก็เดินธรรมดาไปเรื่อยๆเขาก็ไม่ทันครั้งนั้นโจรองคุลิมาก็ได้มีความคิดว่าน่าอัศจรรย์จริงหนอไม่เคยมีเลยด้วยว่าเมื่อก่อนแม้ช้างกำลังวิ่งม้ากำลังวิ่งรถกาลังเล่น เนื้อกําลังวิ่งเราก็ยังวิ่งตามจับได้นะช้างวิ่งยังวิ่งตามไปทันไปฆ่าช้างได้อนะ่ะคนมีกําลังมากอนะม้าวิ่งยังตามไปตัดคอได้โอ้โหแสดงว่าเก่งมากแต่เราวิ่งจนสุดกําลังก็ไม่อาจจะทันสมณะนี้ซึ่งเดินไปตามปกตินะนไหหอบแล้วเหนื่อยแล้วเขาบอกว่าใช้เวลาวิ่งสามโยกก็ประมาณ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 องคุรีมานท่านเล่าจงหยุดเถิดนะครั้งนั้นจนองคุรีมานก็เลยดำริว่าสมณะสักยะบุตรเหล่านั้นมักเป็นคนพูดจริงมีปฏิญญาจริงแต่สมณะรูปนี้เดินไปอยู่เที่ยวกลับพูดว่าเราหยุดแล้วองคุรีมานท่านเล่าจงหยุดเถิดท่าอะไรเราพึงถามสมณะรูปนี้เถิดถามดูเอ๊ยก็เดินอยู่บอกว่าหยุดไอเราเนี่ยหยุดบอกว่าเดินเอาอยัางไงกันแน่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 หยุดแต่ก็ยังเดินเนี่ยนะไอเรานี่ไม่เดินบอกว่าเราเรานี่ไม่หยุดเอาไงกันแน่ผมก็ตรัสตอบว่าดูก่อนองค์คลิมานเราวางอาทยานในสรรพสัตว์ได้แล้วจึงชื่อว่าเราหยุดแล้วในการทุกเมื่อส่วนท่านไม่สํารวมในสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราจึงชื่อว่าหยุดแล้วแต่ว่าท่านยังไม่หยุดใช่ไหยเพราะท่านยังไม่หยุดในการเข็นการฆ่าเป็นต้น ซึ่งท่านมีอธิบายว่าบทว่านิทายะความว่าแม้อาจยาใดอันบุคคลพึงให้เป็นไปในสัตว์ทั้งหลายเพื่อบีดเบียนเราวางอาจยานั้นคือนำออกเสียด้วยการพิจารณาด้วยเมตตาอาศัยเมตตาพราะองค์ก็ไม่เบียดเบียนสัตว์อาศัยขันติและก็ความประพฤตในสารานิยธรรมทั้งหลายด้วยสารานิยธรรมก็คือ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 ท่านอธิบายต่อไปว่าคําว่าตุวมัทติโตสิความว่าเมื่อท่านฆ่าสัตว์มีประมาณพันหนึ่งนี้เพราะไม่มีความสํารวมในสัตว์มีปาณะทั้งหลายเมตตาก็ดีขันติก็ดีปฏิสังขาก็ดีอวิหิงสา ก, ก็ดีสารานิยธรรมก็ดีของท่านจึงไม่มีเพราะฉะนั้นท่านจึงชื่อว่ายังไม่หยุดมีคําอธิบายว่าถึงแม้ท่านหยุดแล้วด้วยอิริยาบถในขณะนี้ ท่านก็จกแล่นไปในนรกนะมันหยุดแต่อิริยาบถใช่ไหมหยุดแต่จิตแต่ชรูปอะแต่จิตขณะนั้นไม่หยุดใช่ไหมเพราะจิตเป็นไปกับโทสะเป็นต้นนะคิดแต่จะแข็นคิดแต่จะฆ่าเพราะฉะนั้นเจตนากรรมนั้นเน่จะจะซัดให้แล่นไปใน น, นรกคือจกแล่นไปในกําเนิดเดรัจฉานในเปรตวิสัยหรือในอสุรกายอนนะนาที่ไม่หยุดเนี่ยเป็นลักษณะนั้น ลำดับนั้นโจรองคโคลิมานก็เลยคิดว่าการบรรลือสีหนาบนี้ใหญ่การบรรลืออันใหญ่นี้จะเป็นของผู้อื่นไปไม่ได้การบรรลือนี้ต้องเป็นพระสมณะเจ้าผู้นามว่าสิท ธ, ธัตถะผู้เป็นโอรสของพนางมหามายาเห็นจะเป็นเออเราเห็นจะเป็นผู้อันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระจักสุขขมกล้าทรงเห็นแล้วหนอ พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาเพื่อทำการสงเคราะห์แก่เรา น, นะโอแสดงว่าพระพุทธเจ้ามาปโปรดแล้วว่างั้นพระมาปโปรดแล้วอ่ะอันโจรองค์คลิมานก็เลยทูลว่าดูก่อนสมณะท่านอันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้วสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มาถึงแล้วป่าใหญ่นะพระองค์เนี่ยมาถึงป่าใหญ่เพื่อจะสงเคราะห์ข้าพเจ้าสิ้นกาลนานเนาว่างั้น โอ้นานแล้วเพิ่งไปเห็นอ่างนั้นเพิ่งพระมาโปรดงนั้นข้าพเจ้านั้นจักประพฤติละบาปเพราะฟังคาถาอันประกอบด้วยธรรมะของท่านโจรองค์คลิมานกล่าวดังนี้แล้วก็ทิ้งดาบและอาวุธลงในเหวลึกมีหน้าผาชันโจรองค์ุลิมานก็ได้ถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระสุคตแล้วได้ทูลขอบรันทชากับพระสุคตณที่นั้น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 ะตัวตราดูกรรมก็เห็นแล้วก็ทราบว่าองคุลิมาณนนี้นั้นได้เคยถวายพันดะคือบริขารแแก่ท่านผู้มีศีลในปางก่อนนะบุญนี่ก็ทำไม่น้อยเหมือนกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านพระองค์จึงเหยียดพระหัตถ์เบื้องขวาตัดว่าเอหิพิขุสวาขาโตธรรมโมจระธรรมะจริยังสัมมาทุกขสสะอันตะกิรยายะแปลว่าเธอจงเป็นที่สูมาเถิด ธรรมะเรากล่าวไว้ดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทําที่สุดแห่งกองทุกโดยชอบเธออะไรนั้นพระองค์เนี่ยไปตรัสในลักษณะว่าอา้าวเป็นพิสูจมาเถิดก็คือเป็นผู้ที่พิสูจหมายคำว่าอนนะผู้ขอถ้าโดยพระวินัยกรรมก็คือผู้ที่จะประพฤติตามพระวินัยบัญญัตินั่นเองอันธรรมะของพระองค์เนี่ยตรัสไว้ดีแล้ว